พระธรรมเทศนาลำดับที่ยี่สิบห้าโดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีเชื่อเรื่องว่าเจ้าของต้องรักเจ้าของโอ้หลวงพ่อได้ยินเกิดสลดใจลูกลานเม็ดจังไหนไปข้าขาเจ้าของข่าวเจ้าของเพราะเม่แนวน่ะบาปกรรมคนว่าข้าวขาเจ้าของหาโรยชาต จะได้ใส่หาลอยชาติขาจะคข้องอยู่ตลอดอันนี้ที่ใส่มาหลายชาติ บ, บ่หูแล้วมาชาตินี่พักขาจะคล้องอีกอายุยี่สิบเก้าปีกับเป็นนุ่มใหญ่พ่อสมควรแล้วน่าจะซ้ำนึกได้ออ้ยังไอ้ยังกับาจะเบากันได้พี่น้องสิโกดิเกียดกระจิตขาจะคล้องตายไปไห น, นก็บอแม่แน่ขวขึ้นเราน่ะ การบวชหักเจ้าของหลอให้ไปหักเจ้าของในสถาบันขนาดเจ้าของยังบวชหักเจ้าของจะไปหักพ่อหักแม่หักพี่หักน้องมันก็หักบุได้เน๊ะแบนบวชลูกหลานวะก็ตามไม่จริงเจ้าของต้องหักเจ้าของเป็นอันดับแรกการเจ้าของยังบวชหักเจ้าของเน๊าะจะไปหักพ่อหักแม่หักพี่หักน้องหักลูกหักหลานหักวงษาขานายญาติจะไปหักยังไงขนาดเจ้าของยังบวชหักเจ้าของ อันับแรกกต้องหักเจ้าของก่อนพวกเฮาต้องรักเจ้าของก่อนหักเจ้าของก่อนเจ้าของเป็นคนดีเจ้าของมีอิหยังต้องตรวจตราเบิ่งเจ้าของเจ้าของขาดตกบกพร่องหยังเราจะให้ผู้อื่นถึกใจเจ้าของม่ดถึกอย่างทุกอย่างมันบ่ได้คือกันเีจะให้ผู้อื่นถูกใจเฮา ขึ้นได้ยังไงก็ให้ผู้อื่นเท็ส้ำใจเฮาคึ้นะมันบดายดอกเฮาต้องเบิงเบิงผู้อื่นเบิงเฮาให้เบิงเฮาในใหน่อยมากขั้นเบิงผู้อื่นมันจับผิดผู้อื่นขั้นจับผิดผู้อื่นเนี่ยผู้นั่นนายทเป็นยังสั่นผู้นั่นนายทเป็นยังสิผู้ น, า น, น, า น, น, นั่นบุญนายจเป็นแบบนั้นแบบนี้มันบดเบิงเจ้าของ ขั้นโม บ, บึงเจ้าของก็เดือดร้อนรนะบาดนี่เพราะผู้อื่นมันบอกเป็นบอกเป็นอย่างที่เจ้าของคิดแตมันบอเป็นจยงเจ้าของอยากจะให้เป็นแตมันก็เลยทุกข์ใจวะนะกลุ้มใจผลที่สุดที่จะได้หาทางออกขณะเจ้าของก็ยังบอกหักเจ้าของบาดนะี่ได้จะไปหักพอ่อหักแม่หักพี่หกัหก น, น, น้องหักโป้งสาคานาณาญาใจจังใด อย่างมีโยมคหนึ่งก็น่าคิดคกันเลยโยมพอพเป็นพิพากษามีลูกสาวบ่ยังกับเครียดบ่ยังไม่จะิขาดจาของตายวไปสิปชดนอ น, น, นะบอกง่ายๆสิปชดพอประชดแม่พี่น้องตั้งผู้พ่อเนี่ยเพิ่นเป็นพิพากษาได้เพิ่นว่าขั้นิขาดจาของจากไดยังเพราะจะไหนเพิ่นว่าผู้พ่อทำ อยากได้เสือกงอยากได้มีดงอยากได้ปืนาจังี้สินั่นไปเอาได้เสื้อกับมีนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นอย่างสัตวเป็นอย่างยังคิดอย่างสัตน์กาดเจ้าของเนี่ยบ่หักจ้าของแล้วจะไปหักพ่อหักแม่หักพี่หักน้องได้จังไหพ่อแม่สิพึ่งพ้าอาศัยได้จังไหสมควรจะ สมควรจะไปอยู่ผู้เดียวตายผู้เดียวจะเนี่สมควรจะเนี่ยัย้นที่ขั้นที่คือพ่อประ น, นันต้องคิดให้มันไก่ขวานันแม่คืให้ได้จ้างได้จังใจได้เจ้าของได้จังไหนพี่น่องพี่น่องพ่อแม่ก็ต้องของไผ่ของมัน่นใจไผ่ใจมัน่นอันนี้จะให้มันได้ยังใจเจ้าของมัดทุกอย่างกันบได้ยังใจเจ้าของ จะไปหาขาเจ้าของจังสรรมันขึ้นได้จังไหนผููพอวาวนะผููพอสอนขนาดเจ้าของยังบหักเจ้าของอนะ่ะจะไปพ่อแม่พึ่งพ่อแม่พี่น้องจะพึ่งสิพึ่งผ้าใสได้จังได้เอาจะได้ยังยจะได้เสือ้อกพวกนี้จะได้ยังบอกมา <c oughs> เอาไปมาแค่ลูกสาวก็ได้คนละไป พี่เจรณาเบื้องหน้าคือพ่อแม่เนี่ยก็แแปลงผ่องเผยอยี่หลยก็เพิ่นเลี้ยงไม่ใหญ่จนพ่อแห้งแล้วอ่าใหญ่จนหูจักเหลียงสาภาวะวัดถุกอย่างแล้วก็นายจะเป็นที่พึงของพ่อแม่ก็นายจะเป็นที่พึ่งของญาติพี่พ น, น้องนายจะเป็นที่พึ่งของตนเองตนเองก็จะต้องเป็นคนดีมีคุณภาพคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรม เป็นลักให้ครอบขั้วเป็นลักให้วงสกุล เ, เมื่อท่านเมื่อพ่อแม่เลี้ยงเฒ่ามาแล้วเฮาต้องเลี้ยงท่านตอบทํากิจตระของท่านดํารงวงสกุลประพฤตินตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือลูกโล ก, โลกตะกูล เป็นที่พึงพาอาศัยกันพ อ, พอแม่เลี้ยงมาแล้วไงแล้วหูจักเลียงสาผ้าว่าแล้วหูจักดีหูจักซั ว, ก, ก, วก้อนพลศิเลียงมาได้ก็บ่อมแมนของไงจดไนาปานเิเมื่อท่านเลี้ยงเล่ามาแล้วก็เลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงศกุลประพฤตินตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดก เมื่อท่านล่วงแล้วเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านอันนี้ก็คือนาทีของลูกอันนี้เข้าน้าทีถ้ำนาทีเต็มทีแล้วย่างบ้านียเข้าถ้ำนาทีเต็มทีนี้เมื่อท่านเลี้ยงเข้ามาเนี่ยเลี้ยงยากขนาดไหนเขาเห็นเด็กน้อยเกิดไหมพ่อแม่เลี้ยงลูกเขาเลี้ยงยากขนาดไหนเข้าเนี่เป็นจังไรเข้ากับพ่อแม่ก็เลี้ยงยากบ่อแพร่ ก, กันครับ เข้าเห็นเด็กน้อยเกิดบัดในเข้าถ้ำนาทีเมื่อเข้ใหญ่ขึ้นมาแล้วไม่แต่เอาแต่ใจเจ้าของอลอกงอกแล็ดแงะพิษพี่พิดหนองพิดพอพิษแม่พิษวง้งสาคนา ญ, ญาติเห็นไปพิษไปหมดมันถูกเราต้องมันถูกต้องหรือยังคิดจังสันเ็ตจังสันเซิงมูนี่มันต้องได้คิดเมืองเจ้าของ การเบิ่งเจ้าของมันจะหา r d มองจุดบกพ่องพ่อมีจุดบกพ่องเดี๋ยวแก้ไขไปเนี่ยปับปุงแก้ไขเจ้าของมาเป็นคนดีนั่นใดมือจะดีขุยจักคือต้นดีดีกับสัวขูยจักไหมกันโบขูยจักดีโบขจั ก, กสัวก็แสดงว่าเม่นไผ่ล่ะขนาดดีกับสัวยังผูจักอันใดดีอันใดสัวบาต้าเขาเฮ็ดให้เจ้าของพปดว่าให้เขาเฮ็ดให้เจ้าของเฮ็ดแต่ความสัว บรผู้ตัวเองให้แตผู้อื่นล่ะคิดให้ผู้อื่นเลยทำให้ผู้อื่นพูดให้ผู้อื่นล่ะสิงโมนีมันก็ต้องได้คิดอีกขึ้กันเพรานะน่ะลูกหลานทุกูุทุกคนนะ่ะเกิดมาในโลกกันน่ะเอาแต่ใจเจ้าของพอได้ได้กั้นลงคอเนี่ยั้นที่เอาแต่จใจเจ้าของเนะี่ยลงคอจะไปอยู่นะอยู่ปลาหิมะพานไปไนะไปอยู่กลางเกาะทะเลผู้เดียวคนนะ่ะที่เอาแต่จใจเจ้าของ ขันเขาอยู่กับโมเขาก็ต้องเอาใจโมต้องเบิงใจเขาใจเฮ้าต้องหักกันไหวมีเมตตาต่อกันอันนั้นคือมนุษย์อยู่น้ากันมียังไม่แต่เอาสิใจเจ้าของบาได้แล้วเหตุจะนี่แหละมันพลาดมันพิษมันไปแล้วเด้มันพิษกับพิษไปแล้วพลาดกับพลาดไปแล้วตายกับตายไปแล้วพวกอยู่ตั้งรังมิแต่เสียใจ <c oughs> เสียใจน้ำรำังจากเหตุอย่างไรล่ะ มีแต่ตั้มบุญอุทิศชวนกุศลให้ดวงวิญญาณเนอะดวงวิญญาณนายเรื่องเล็ดละว่าสิ่งสถิตอยู่ในทินใดให้มารับชวนบุญ่วนกุศลจากญาติพี่น้องเนอะญาติพี่น้องหลูกล้านทางล้านแต่ถ้าบุญอุทิศชวนกุศลให้อนี่ยมันพิษไปแล้วญาติพี่น้องยินดีให้อโหสิยินดีให้อภัย เกิดพบนาชาตินาให้เป็นคนดีให้ห่างให้มีให้มีมแต่ความสุขความเจริญญาตพี่น้องทลายจะบอผูกกรรมทำเวรทั้งมดนั่นแหะพวกเฮ้าจะไปผูกียังละ่ะผูกกรรมทำเวรจะเกียรติกระโปร่เนแนวเกียดตเนว่หักกระ่ปรงเนี่ยหักใครจะไหนมันพานไปแล้วเด้มันเป็นอดีตไปแล้วดีมันก็ดีไปแล้วชั่วมก็ชั่วไปแล้ว เพียงแต่เป็นบทเลี่ยนสําหรับพวกเฮ้าเท่าน่ะเป็นบทเลียคือ้ยังเออคณะว่าจริงเดยก็ตามที่จะทําให้พี่น้องของเฮ้าอยู่ใกล้ชิดเฮ้าหน่นักอกนักใจอารมณ์โมโหโกรธท่าให้แก่กันพวกเฮ้าจะคิดจะพูดจะทําเน้อในสิ่งนั้นทำมันทําแล้วมันนักในใจก็ทําให้พูดอย่างนี้ดิ้วสบายใจทําให้ คขาเจ้าของต่ายยางทีวาเนี่ยนะฮะแต่พาตามไม่จริงการแนะนําสั่งสอนหรือว่าการบอกกล่าวก็จะพอให้บอกให้กล่าวซะเล่รกรบบไดเพราะตัวเองเฮ็ดบอดีไปกินเหล่ากินยาวหัวล่าหน้ามากบอกให้พี่น้องดูดาวา่ากาวดีเนาะดีเนาะดีเนาะเนี่ยมันกติแมแยนบลาบันีก็ถ้ามาดาก็ต้องเบิ่งเจ้าของเนี คนสิทธได้ต้องฝึกนัทดัดนิสัยเจ้าของเอคำว่าห่าตอตอกอนห่อเป็นเด็กหน่อยห่อกี่ขันเฮียนหนังสือเนี่พ่อแม่เอาใจเนี่ว่าต้องเฮียนก็ะได้ดอกลูกมันเฮียนยากอแต่ต้องไปไพ่ภาคนาสิอ่านหนังสือบุออกให้จะไหนระบาไปเอาไปว่าไปใสกับอ่านหนังสือบุออกไปตามถนนหนทั้งวิาจักถนนทสาสายได้อ่านหนังสือบุออกเอาไปว่ากับจีดาพอดาแม่เจ้าของพ่อแม่เจ้าของ พอแม่มันโง่กรอกเรียดแ่บ่อยกูอ่านบ่อ้กูเห็นหนังสือไงสิ่งโมนี่มันก็ต้องได้คิดคือกันในเมื่อเขาสอนเกิดจะไปตีเขาบ่ตีเจ้าของขั้นเขาบ่สอนบ่บอกเออก็ไปห้าด่าเขาอีกเพราะเขาบ่าบอกบ่สอน่ะสิ่งทั้งหลายทั้งป่วนให้พวกเฮาเนะเกิดมาในโลกเนี่ะมันต้องฟังมั้ฟังทุกสิ่งทุกอย่าง อั น, ดดอ น, ดอนดใดดีอันใดชั่วอันใดค้รบกข้นจังไดอันใดสูขอันใดต่ำพอแม่พีนองว่องสาขนาหยาดหาดมิสหายของพวกเข้าผู้เจตนาดีบ่เจตนาดีก็ออาให้ออกขันผู้เจตนาดีอาจะไปหาโกรธห า, กหากเกลียดอเปิก็บอเมเ น, นวขันว่าเจตนาบ่ดีเข้าจะไปเข้าไปใกล้ก็บอเมเนลขึ้นกันแนวใดมันิ จะเป็นผิดเป็นไผ่กับเขาไปมึงไปเห็ดนั้นอันนี้ไปมึงเอาเนี่ไปส่งให้เขาได้ไปแผลแทนยื่นหอมันเป็นยาบาดนะเออเข้ากันเลยโพลนิู่เขาจับใดเจตอย่างไรละ่ะที่ว่าเขาเจตนาดีบผมเจตนาบุตรเจตนาทํำลายทำไร่ซึ่งโมนีมันก็ต้องได้คิดอีกขึ้นกันเอ้าเกิดมาในมนุษย์สโลกก็นสรุปแล้วก็คือให้ความรอบคอบนะ่ะ มีความหลอบขอบให้ใส่ปัญญาไปอยู่ในสถานที่ใดอย่าให้ผู้อื่นนักใจกระเพ้าไปอยู่ใส่ให้ผู้อื่นเบาใจกระเพ้ามันขยันเสียงไหนถี่มันบอดีอยาคิดยาพยูกยาทำํำถ้าคิดได้จรงจังลงพอว่าดูใจล่มเย็นเป็นสุกมัดอยู่กับพอกับแม่กับลมเย็นเป็นสุข อยู่กับผีกับน่องกะลมเย็นเป็นทุกอยู่กับครูบาอาจารย์กะยูเย็นเป็นซุกพราะเห็หุใดเพราะตนเป็นคนดีมุจักการสิเทสะบุคคลการสถานที่บุคคลบุคคลนี่เมื่อเขาไปหาควรเห็ุอย่างไรในสถานะเส น, นีเฮ้ายู่จึงสี่เฮ้าควรปฏิบัติตนจังไดอในหลักของพระพุทธเจ้าเป็นสอนไว้หมดแต่เฮ้าเหตุจังไดถือบ๊อบถือเท่า น, นั้นละ่ะ การเอาเหตุบดถือมันก็เดือดร้อนนะอันดับแรกก็เดือดร้อนเจ้าของนะก้อนเดือดร้อนเจ้าของก็ทุกใจแหนะแหมมองว่าผู้อื่นบเหตุตามใจเจ้าของผลนี้สุก็ค ว, นะ ว, นะว้างพอคว้างนะขวางผู้อื่นคว้างไปคว้างมากกันนะั่นแหละกลุมอกกุ่มใจทุกอกทุกใจเจ้าของนะั่นลูกหลานทุกคนทุกคูทุกคนนะเหตุจเนี้ยมันผ่านไปเลยเนดะ้ มันผ่านไปแล้วแต่ถยังไงเป็นบทเลียนสำหรับพวกเฮาทันทั้งหลายจะไปหาคิดเป็นบาปเป็นกรรมขายเจ้าของแล้วก็พร้อมกันกันจะให้ผู้อื่นใดจังใจเจ้าของใดจังไหนอย่างที่หลุมพอวันะขนาดเจ้าของยังบวหักเจ้าของจะไปหักพอ่อหักแม่หักพีหักน้องหักว่องสาขนาดใาญ่ใ ด, ดจังไหเจ้าของต้องหักเจ้าของก่อน อางนั้นก็เป็นที่พึ่งของญาติพี่น้องมันจึงจะถูกโมแม่สี่เอาใจใจเจ้าของเอาใจใจเจ้าของยังสี่แล้วอทางคนทางแต่เอาใจแใจพ่อก็แไม่พอเอาใจหนึ่งแม่เอาใจหนึ่งพี่น้องแต่ละคนเอาแต่ละคนเอาใจล้อมล้อมมันหลังก็อหากันบัดมีถต่ความเดือดร้อนบุญไหว้ในตะกูลของเขามันต้องเอาเอาใจเขามาใส่ใจเฮาเอาใจเฮาไปใส่ใจเขา ในวงสาขานายาใจฮักกันไหวมเมตตากันไหวหมดถึงลอยปีเลยต่างโคนต่างไปอยู่ต้อกันเอาคุณงามความดีไม่ใส่กันโมเมนตที่เอาความชั่วสาลามกไม่ใส่กันการเอาแต่เรื่องชั่วสาลามกมาใส่กั น, น, าา ม, ก ม, กนมิแต่ความเดือดร้อนมิถั่ความทุกข์ขอบขั้วไดก็ตามกันเอาแต่ความชั่วเอาแต่เรื่องบอดีไม่ใส่กันเดือดร้อนต้องเอาความดีคุณงามความดีไม่ใส่กัน มีอย่งกับปรึกษาปรารลบกันสามีภรรยาลูกหลานทุกขู่ทุกคนมีอย่งเมาหันเมากันปรึกษาปรษาปรลบกันหาทางออกแบบใดทุกยาักลำบากแบบใดลารุ้ยแบบใดหาอยู่หักินแบบใดมันต้องปรึกษากันนะาปรึกษากันเลยมันมีทางออกทั้งมดกันว่าเอาแต่ใจจขุขวางต่างคนต่างเอาแต่ใจเจ้าของนั่น มันกิดชนกันแล้วบ่เนี่ชนกันดะไปเลยมีแต่ความเดือดร้อนเนี่เดือดร้อนเพรมันเดือดร้อนไปเดือดร้อนพวกนั่นแหละผู้อยู่ใกล้ๆเนี่ยนะมันห ม, นมนเดือดร้อนไกลแล้ผู้ใกล้ๆนัน่นแหละพ่อแม่พี่น้องลูกหลา น, นเดือดร้อนนะรับพ่อ น, นะบ่เนี่ยอนุโมทนาให้พร อ, อุทิศส่วนกุศลผูทีหลวงรับไปเน้อพอเข้านะอันนี้หลวงพ่อบอกเป็นแนวความคิดแนะนําสอนลูกหลาน ทิศชวนกุศลถึงจะได้มันก็พานไปละได้เห็ดไปและ้ะจบไปละเป็นบทเลียนไปละเป็นบทเรีย น, นบทใหญ่อีกต่างหากในญาติพี่น้องผู้ใดกระหายละมัดระว่างความเหบาะความจาอย่าให้มันกินอกกินใจกัน